ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการธรรมะเกี่ยวกับภาคปฏิบัติวิปัจนากรรมฐานได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเราจะศึกษาโดยละเอียดและโดยย่อเข้ามาอีกแล้ว เราจะได้ข้อทิพจริงดังนี้คือพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุได้แปดสิบปีพระองค์ได้เสด็จออกบวชเมื่อพระชนมายุได้ย9สบปีทรงสแสวงหาธรรมะอยู่ถึงหปีจึงได้ตัดสู้หรือจึงได้พบพระธรรมอันวิเศษเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้ได้พบพระธรรมแล้วได้ น, น้อมนาไปสั่งสอนพุทธบริษัท เริ่มตั้งแต่ภิกขุภิกษุปัญจวัคคีทั้งห้าที่ปาอิสิปตนะมรรคเทวันแขวงเมืองพารณาสีในเรื่องธรรมจกกักรปวานสูตรเป็นต้นมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะประนิพ่านก็ได้ตรัดไว้เป็นปชิมาวจาคือพระวจาครั้งสุดท้ายว่าอามัญตยามิวีอามัตยามิวโภพิกขเววยธรมมาสังขารา อัปมาทถนะสัมปทาเหิกสูตรทางหลายเราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารคือรูปเป็นนามมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเธอท้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นก็ไม่ตรัสอะไรอีกเลยเมื่อเราศึกษาโดยละเอียดในพระธรรมคา ส, สอนเราเรียกว่าพระไตรปิฎก พระองค์ได้เทศไร่45ปีนับเป็นคำภีเป็นหนังสือตกทอดมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี้มีอยู่45เล่มเรานิยมเรียกกันว่าพระไตรปิฎกไตรแปลว่าสามปิฎกแปลว่าหมวดสามแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆหมวดพระวินยัยหมวดพระสูตรหมวดพระอภิธรรมหมวดพระวินยัยมีหนังสือแปดเล่ม ตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่แปดมีเนื้อหาสาระคือพระธรรมขันธ์อยู่สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์อาจะว่าเป็นคำภีก็มีห้าอาทิกรรมปาจิตติมหาวัคจุลวัครบริวานแต่เมื่อจะย่อลงแล้วเอาแต่สาระเอาแต่แก่นเอาแต่ความหมายที่แท้จริงแล้วก็ได้เก่สนนินคือพวินยัย สินห้าสินแปดสินสิบสองอยเกนี้เรียกว่าพระวินัยวินยัยแปล ว, ว่ามีในยต่างๆก็ได้มีในพิเศษก็ได้แปล ว, ว่าฝึกกายฝึกวจาของคนให้สุภาพเรียบร้อยก็ได้แต่โดยใจความที่แท้วินัยมีประโยชน์สำหรับปราบกิเลสหยาบๆที่จะล่วงออกมาทางกายกับทางวจจา เช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีนี้เป็นกิเลสหยากถ้าคนมีวินัยไม่ออกมาแล้วขอให้รักษาจริงๆเถอะวินัยเนี่สามารถจะปราบจะกำจัดกิเลสส่วนหยากหยาดนี้ได้พูดเทศ พ, พูดคำยาพูดเสาะเสียดพูดเพ้อเจอ้อหลอกลวงกันหลอกลวงเด็กไปเรียกทัดไทยหลอกลวงขุหญิงไปข่มขืนอนาจารหลอหลัวหลอกลวงคนไปขายหลอกลวงคนไปฆ่า เหล่านี้เป็นต้นถ้าคนมีวินัยแล้วทำไม่ได้เพราะวินัยควบคุมรักษาพูดนนั้นไว้ไม่ให้ร่วงออกมาทำามชั่วทางวัจจาเ้พระสูตรมียี่สิบห้าเล่มตั้งแต่เล่มที่เก้าถึงเล่มที่สามสิบสามมีพ ร, รรม 21, พระธรมขันสองห0ื่นหนึ่งพันพัทธมขันพระสูตรนั้น มีหน้นาที่สําหรับปราบกิเลสกลางได้แก่นิอ่อนทั้งห้าโดยสภาโรยคัมภีก็มีอยู่ทั้งห้าคำผีทีมะสังอังขุทีคณิกายนิกายอ ย, ยากมัตฉมริกายนิกายกลางกลางทีมะสังสังยุงงตตินิกายอังอังคุตรนิกายนิกณิกาย รวมเป็นพันลคมะขันสองห0หพันพมะขันย่อให้สั้นก็คือสมาธิสมาธิมีหน้าที่ปราบกิเลอย่างกลางได้จนนิวรณทั้งห้ากามชฉันทะพอใจในรูปเสียงเกลิ่นรสผลพทพะพยาบาทใจโกรธใจขุนทีนมิทะง่วงงห้องนอนท้อใจอ่อนใจอุทธัจจะโกกุจจะฟงส่านรำคาญหมดหิดใจวิธีคิดช้าสงสัยหลังหลีใจนี้เป็นนิวรณ์แปลว่า บาปที่กั้นกิจไม่ให้บรรลุคนงามคนดีหรือธรรมะที่กั้นกิจไม่ให้บรรลุคนงามคนดีก็ได้แต่พระสูตรคือสมาธิปราบกิเลสส่วนหยา ก, ก่างกลางนี้ถ้าคนจิมมีสมาธิแล้วกิเลสส่วนนี้เกิดไม่ได้ดังนั้นพระภิกษุสามเณรผู้จะบวชจะต้องเรียนกรรมฐานห้าอันเป็นฝ่ายสมถะคือสมาธินิก่อน ส่วนพระสูบะอพิธรรมมีส2บสองเล่มตั้งแต่เล่มที่3 4มถึงห้ามีพระธรรมขันคือเนื้อหาสาระอยู่หรือแก่นแท้สื่อมื่นสองพันธรรมคันเท่ากับภอยในพระสูตรรวมกันเมื่อใจว่าคำพีก็มีเกจสังวิทาปุกัยปะสังคินีวิพังทาสูทา้ามุคลบัญญัติกถาวัตถุยมกปถานแต่ถ้ายอดก็มีสี่กิจเจรสรูนิพพาน แต่ย่อจริงๆเหลือข้อเดียวคือปัญญาแต่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาหมายถึงปัญญาติดตัดจิเลสอนุัยกิเลสที่นอนรองอยู่ในใจของแต่ละบุคคลโลภะแปดโทสะสองมหสองต้องละได้ด้วยปัญญาขั้นวิปัสสนาก็คือพระอภิธรรมนี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าเทศชิบสาสี่สิบห้าปีก็ได้หนังสือสี่สิบห้าเล่ม เมื่อยอ่อแล้วก็ได้เกิศีล ส, สมาธิปัญญาแต่พระองค์พระองค์ย่อลงมาเมื่อจะนิพพานหยือข้อเดียวคือความไม่ประมาทได้เกิมีสติสติสิณกันนี้ก็จะว่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสอนพองทรงสอนพองยุบไว้อย่างไรจะเป็นปัญหาพระพุทธเจ้าทรงสอนพองยุบไว้อย่างไรอันที่จริงพองกับยุบ นั่นเป็นอีกอันหนึ่งหนอนั่นอีกอันหนึ่งในที่นี้ก็จะสอนพองยุบไปอย่างไรเอาพองยุบก่อนจะเอาหนอด้วยในการต่อไปในการต้นนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าสอนพองยุบไว้อย่างไรเราโปรดพริจารณาให้ละเอียดในกันแรกที่พระพุทธเจ้าเทเรองธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนั้นพระองค์เทศถึงเรื่องที่สุดสองอย่าง อันนักปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติตามคือการมาสู่ขันธิการนโยกประกอบตนให้ผัวพันอยู่กับการมาคุณห้ามีพวกเจ้าลทัทธิต่างๆปฏิบัติมาแล้วพระองค์ก็เคยดำเนินมาแล้วไม่ใช่ทางที่จะให้กิเลสสิ้นไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลนิพพานมันหย่อนเกินไปสุดตรงเลยเส้นที่สอง อัตตะกิลมัทานโยกทรมานตนให้ลำบากสายนี้ก็เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานอีกพระองค์จึงให้เดินสายกลางเรียกว่ามัดคิมาปฏิปทานี่สายกลางนี้เอาอะไรเป็นอารมณ์ก็เป็นปัญหาพราะองค์สอนธรรมจักปรปวัิร ส, สูตรนั้นสอนมรรคแปดมรรคแปด เมื่อย่อให้สั้นก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาอารมณ์ของศีลสมาธิปัญญาคืออะไรคือขันหาอาิยสัะสิบสองธาตุสิแปดอินทรีย์สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทสิบสองแต่เมื่อย่อแล้วก็เหลือสองคือรูปกับนามนี้คืออารมณ์ของวิปัสสนาแท้จริงทีนี้ก็มีปัญหาว่ารูปกับนามน่นอยู่ที่ไหน อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามต้องเข้าใจอันนี้ก่อนจึงจะกระจ่างแกมแจ้งดีรูปกับนามถ้าหยาบหยาบร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเล็บนี่แหละคือรูปนาม ก, ก็คือใจเท่านี้รูปกับนามกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่คือรูปนามก็คือใจในร่างกายของคนทุกคนมีเท่ากันหมด ชาติใดภาษาใดก็ตามมีรูปกับนามเท่านี้หรือกายกับใจเท่านี้เกิดมาใหม่ๆจากท้องแม่ก็มีเพียงเท่านี้โบราณจึงว่าไม่มีผ้าสักนิดปิดกายีจะพาทีกับใครๆก็ไมือเป็นนั่นเพิ่งเห็นว่าเป็นค่าราคาคนเพราะคนเรานั้นเกิดมามันเหมือนกันหมดไม่มีต่างกันเลยแม้สักนิดเดียวคือไม่มีผ้าติดตัวมาเลย ยเยาแต่ผ้าเลยอะไรติดมือมาก็ไม่มีเลยมีอะไรมาก็มีรูปกับนามเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าและเจ้าจะไปก็จะอะไรไปนะ่มันก็มีแต่รูปกับนามนี่แหละติดตัวเรามาติดตัวเราไปทีนี้ปัญหากว่ามีว่าเมื่อศึกษาโดยละเอียดเข้าไปอีกอันนี้หยาบๆซะก่อนเป็นเข้าโครง ว่าอารมณ์ของวิปัสสนาคือกายกับใจรูปกับนามซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกประเทศไทยมีคนไทยสี่สิบห้าสี่สิบหกล้านทุกคนก็มีรูปมีนามเท่ากันงดไม่มีเลื่อมล้ำต่ำสูงกันเลยเีตุโรคกำนามนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาศึกษาโดยละเอียดนิดนึงโรปกับนามก็คือขันห้าขยายออกไป หนึ่งรูปได้แก่ร่างกายทั้งหมดสองเวทนาได้แก่ความสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยสามสัญญาได้แก่ความจำได้หมายรู้สี่สังขารได้แก่ความปรุงแต่งใจของเราห้าวิญญาณได้จิ่จิตคือความรู้แก้งอันนี้เรียกว่าขยายออกไปละเอียดนิดนึงแต่ย่อเราก็เหลือสองคือรูป ก, กับนามกายกับใจนี่เป็นปัญหาให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึง รูปกับนามหรือกายกับใจหรือขันห้าในเกิดที่ไหนเกิดที่ตาหูจมกูกลิน้นกายใจเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมกูกได้กลิ่นเมื่อลินล้นได้รสเมื่อกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆขณะที่ตาเห็นนีนขันห้าเกิดเลยอย่างเกิดแล้วรูปนามเกิดแลอยังเกิดแล้ ว, รลลวตรงไหนเป็นรูปสีกับตาเป็นรูป เห็นแล้วสบายใจไม่สบายใจเฉยเป็นเวทนาจําได้เป็นสัญญาแต่งให้เห็นว่าสีที่เห็นนั่นดีและไมด่ดีเป็นสังขารผู้ที่เห็นนั่นเป็นวิญญาตเกิดแล้วแม้ทางหูโยมได้ยินเสียงอยู่เดี๋ยวนี้ขันห้าก็เกิดแล้วเสียงอัตตมาของหูโยมเป็นรูปถ้าโยมได้ยินเสียงอัตมาแล้วสบายใจไม่สบายใจหรือเฉยนี่เป็นเวทนาขันจําได้ว่าเสียง จะคนเทพมาแล้วหรือเสียงอาจารย์ก็มาฐานมาแล้วนี่สังขารสัญญาขันแต่ไงเห็นว่าธรรมเทศดีหรือเทศไม่ดีถูกใจโยมหรือไม่ถูกใจโยมนี่สังขารขันที่ได้ยินว่าว่าในไม่เชิงหูวิญญาณคือจิตครบห้าขันธ์พอดีจมูกได้กลิ่นทุเรียนหอมกลิน่นทุเรียนกับจมูกเป็นรูปเมื่อได้กลิ่นแล้วสบายใจสําหรับคนชอบทุเรียนคนไม่ชอบก็ไม่สบายบางคนก็เฉยนี่แหละคือวิถีธ แล้วจำได้ว่ามีกลิ่นทุเรียนเป็นสัญญาแต่งให้เห็นว่าทุเรียนนี่อร่อยหรือไม่อร่อยชอบหรือไม่ชอบสังขารผู้ที่รู้กลิ่นวิญญาณคือจิตครบห้าขันพอดีแล้วลื้นได้รสทุเรียนอร่อยชอบใจแม่ลิ้นกับรสเป็นรูปผู้ที่ได้สเส ว, วยรสหรือได้ชิมรสทุเรียนรลสบายใจเป็นเวทนาจำได้ว่ามีเป็นรสทุเรียนเป็นสัญญาแต่งให้เห็นว่าทุเรียนขบหรือฉนีอันนี้ดีหรือไม่ดีสังขาร ผู้ที่รู้รถทุเรียนวิน ญ, ญาณก็ครบห้าพอดีแล้วกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดก็เหมือนกันนี่โดยละเอียดคัค้นห้าเกิดตามตามหูจมูกเลี้ยงกายใจอย่างนี้แล้วว่าขั้นห้าเกิดแล้วอะไรเกิดตามมากิเลกกิเลสตัวไหนโลภะโทสะโมหะเราจะปฏิปฎใจอะไรก็ต้องเจริญวิปัสสนาอาะไรก็เป็นปัญหาอลไรทีนี้เจริญยังไงทีนี้วิธีเจริญวิปัสสนานั้นก็เจริญตามสติปัฏฐานสี่ เรียกว่ามหาสติปัฐานโดยเจ้าเรียกว่าสติปัฐานพิสดารของมหาสติปฐานนี่ในมหาสติปัฐานนั้นพระพุทธเจ้าสอนพองซองยุบไปที่ไหนเนี่ยเป็นปัญหามีไหมมีพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วมันอยู่ที่ไหนละพองยุบอะ่ะแล้วคนอยู่ที่ไหนล่ะทีนี้อะไรมันเป็นคนพู้ที่นั่งกรรมฐานว่ามีคอถึงเราเรียกกันว่าคนใช่ไหมและมีลมหายใจหรือเปล่า อารมณ์หายใจมียังไม่ตายนั่นแหละใครมีลมหายใจกับพองยุบมีแล้วเมื่อพองยุบมีแล้วก็สอนในกําหนดท้องพองยุบนั่นแหละในที่ไหนเล่าก็ในกายของแต่ละบุคคลทุกคนมีแล้วเพราะอารมณ์ของอิปัตชนามาคือขันห้าขันห้าคือกายทั้งหมดเมื่อกายทั้งหมดมีพองยุบมันก็อยู่ที่กายของแต่ละบุคคลแล้วก็จิว่าพระบิดาเจ้าสอนพองยุบไปทีกายของบุคคลทุกคนนี่แหละนี่โดยสภาวะ นะเอาโดยสภาวะเรียกว่าสภาวะยุติคื อ, อยุติกันด้วยสภาวะไม่ต้องโต้เถียงกันแล้วมันสภาวะคือของมีของจริงมันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อใครมีกายมีรูปกับนามคนนั้นมันก็ต้องมีพองมียุบเพราะลมหายใจมีอยู่งั้นเมื่อพระพุทธเจ้ากำหนดให้สอนให้กําหนดยืนเนาะมันก็ถูกพองยุบด้วยเพราะขนาดที่ยืนพองยุบก็มีนั่งเนอะ ะก็มีพองยบอยู่ด้วยก็เชื่อว่าสอนให้กำหนดพองยบอีกแล้วพอหายใจเข้าอาณาปณะสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกในที่หนึ่งหายใจเข้าต้นลมหยุดเจียมจมูกกลางลมสี่หัวใจปลายลมอยู่สะดืออ่านี้ก็พองยบอีกเหมือนกันมีพองมียบอีกในที่สองนับลมหายใจเข้าท้องนูนออกมาหายใจออกสองแป๊บนับเป็นหนึ่งนี้ก็พองยบอีกแล้ว ในที่สามผดทะพะลมกระทบท้องหายจะเข้าท้องนูนหายใจออกท้องแฝบนี่ผดทะพะแปลว่าลมกระทบท้องอุณมณะโอนะมณะอุณมติโอนะมนติตมันนูนันแฟบเนี่ยอันนี้แบบท้องยกอีกแล้วก็อยู่ในที่ตรงนี้แหละอมจะว่ายังไงอ้านี่โดยสภาวะจิตติหมายความว่าจะต้องรู้โดยสภาวะเมื่อเรายืนยันได้เรารับรองว่าร่างกายทั้งหมด เป็นอารมณ์ของวิตกสนาและพองยุบมันก็อยู่ที่ร่างกายทั้งหมดเมื่อเรากําหนดร่างกายทั้งหมดก็จะว่ากําหนดท้องพองยุบไ ป, ปนในตัวเสร็จหมดเลยนี่โดยส่วนกว้างโดยสภาวะเป็นอย่างนี้อาเวลาเดินขวา ย, ย่าง น, น้อยเนอะท้องพองยุบกว่ามีก็จะว่ากําหนดไปด้วยเพราะมันอยู่ด้วยกันเวลานั่งจะ ก, กําหนดนั่งเนอะนั่งเนอะท้องพองยบกว่ามีถูกเนอะถูกเนอะท้องพองยุบกว่ามี จะหันมาติดตรงหนังท้องนี่ล่ะห้องน้อยอยู่เนาะ ก, ก็ถูกห้องถูกยุกอยู่เลยอันนี้เรียก ว, ว่าพระพุธเจ้าสอนผองยุกไว้ในที่ไหนในร่างกายของแต่ละบุคคลเพราะมันมีอยู่แล้วนี่ตอบโดยสภาวะที่นี่เราจะตอบโดยปริยัติที่เนี่ยอะไรโดยสภาวะนี่เ้าเรียกโดยอาโดยสภาวะสภาวะยุติยุติกันได้โดยสภาวะไม่ต้องไปโต้เถียงกันแล้วความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ ทนอาคมยุติยุติกันด้วยอาคมอาคมคือปริยัติแปลว่าเราเรียนรู้คือพระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองนี่ปริยัติเลยที่เนี้ยเมื่อกี้นี้สภาวะปฏิบัติเช่นพระองค์สอนไว้ว่ากายเยกายกระฉันจะพิกเวพิกขขกายเยกายานุปัสสีวิหารติเฮขึ้นโซเห็นกายในกายมันเห็นอย่างไง อันนี้พระองค์ก็ว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งหมดเลยอิทธิภิกเวภิกขะอรญญกระต ว, วารุกขมูลกระตั ว, วโลก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระมรยมยนี้ไปสู่ป่ากอดตามสู่บ้าสู่คนไม้กอดตามสู่ที่ว่างปล่ากอดตามนี่นี่สีตติปลังกลางอาภุชิตตวานั่งคูบ่บัลลังกาอุชงกายยังเปเนทะยะนั่งกายให้ตรอง ปริโมังสัตติงุปตะเปตวัดดำรงสิทหิมันโสสตวะอัศ ส, สตินี่ฮะดีพองอยุบเห็นไหมก็ผู้นั้นคือนักปฏิบัตินั้นสตวะเป็นผู้มีสติหายใจเข้านี่แหละคือพองแล้วเนี่ยสอนไว้ตรงนี้แหละก็เมื่อมีสติหายใจเข้าหายใจเข้าท้องมันเป็นไงเอารองนึกดูสิคนหายใจเข้าท้องมันนูนลูกแฝดจะแปลว่าจะว่ายังไงโสสตวะอัศสติติ บุคคลนั้นสตวะเป็นผู้มีสติเที่ยวอัดสติหายใจเข้าสตวะเป็นผู้มีสติปัดสติหายใจออกนี่แหละพองอยู่ตรงนี้ยุบอยู่ตรงนี้อัดสติหายใจเข้านี่พองปัดสติหายใจออกนี่ยุบชัดเลยยังในขนาดเนี้ยหายใจเข้ามันก็ท้องก็นูนหายใจออกท้องก็แฟบแล้วก็ว่าพองว่ายุบถึงเราจะวัดเข้ามันก็คือพองยุบ ว่าออกก็คือยุดนั่นแหละต่างกับเตทวหานิดเดียวเท่านั้นจะว่าโป่งแฝบก็ได้โป่งแฟบก็ได้มันเข้ามันก็โป่งมันพองขึ้นมามันก็บอกโป่งก็ได้พอมันยุดมันแฟบก็แฟบซะหรือจะว่าสูงก็ได้เวลานมเข้านี่ยมันมันสูงเราก็ว่าสูงซะอัตตสติมันสูงปัตสสิตมันต่ำก็ได้ะจะว่ายังไงลองนึกดูสิ อันนี้มันบัญญัติมาสมมุติ garage, academy, ขึ้นตัวบาลีว่าอัศสติก็แปลว่าเข้าปัสสติแปลว่าออกที่เมื่อลมเข้ามันจะนูนหรือมันจะแฟบลองตั้งปัญหาถามดูสิเนเมื่อลมเข้ามันพองแล้วเราว่าพองผิดตรงไหนอทีนี้เมื่อลมเข้าแล้วมันนูนเราว่านูนผิดตรงไหนเมื่อลมเข้าแล้วว่ามันสูงเราว่ามันสูงมันผิดตรงไหนอันนี้มันบัญญัติเกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจขอมหมายท่านั้นแต่ก็ไม่สําคัญอยู่ตรงนี้นักสําคัญองค์สามต่างหาก จะว่าพองแต่ทิ้งองสามก็ไม่มีประโยชน์จะว่าเข้าลมเข้าแต่ทิ้งองสามก็ไม่มีประโยชน์จะว่าพงถลมถลับขาดองสามก็มีประโยชน์จะว่าแฟบถ้าขาดองสามก็มีประโยชน์พลังเขาก็ไม่ไว่าอย่างเราเขาอะไร ซ, ไซงิซงคอาลิไงไรซงิซงควาลิงไม่ใช่ไม่ว่าพองประยุน์มันก็ว่าตามแบบของเขาอ๋อเขาถ้าหากไม่ถูกองสามก็ใช้ไม่ได้อีกต้องได้องสามจึงจะใช้ได้ พามาเขาก็ว่าเผาแดปินแดเผาแดปินแดอฮะคว่าเผาแดดปินแดเผาแดดปินแดถ้าไม่ถูกองซ้ำก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วหรือแขกว่าใครกระมุงกระจุกระมุงกระจุไงถ้าหากว่าไม่ถูกองซ้ำก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วขม้นเขาว่าเฮเวนเซิงเก้นเฮเวนเซิงเก้น่ะ ถ้าจำไม่ผิดนะมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจำไม่ถ้าไม่ได้องศาบรอยฉะนั้นอย่าติดนักไอ้สับบัญญัติเหล่านี้เอาสภาวะถูกที่สุดเอาละนี่เลยอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนพองยุบสอนไว้ตรงไหนตรงพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรเล่มที่สิบเล่มที่สิบสองหน้าร้อยสามหน้าร้อยเจ็สามร้อยิบห้าก็มีอ้อาสวดมนต์หน้าร้อยหกสิบบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เกนี่บรรดชัดติก <lim a. S 1> ้าวที่สิบก็มีมีเยอะอยู่แหละอยู่ในหมวดไหนเรียกว่าอาณาปนาปภะอยู่ตรงนี้ถ้าเอาปริยัติอ่ะนี่นะปริยัติทีนี้จะเอาอัตถกถาดีกาอะไรก็ได้นอกนี้ยังมีอีกบาลีท่านว่าไปกว้างนี่ต่อไปพระพุทธองค์ว่าไปกว้างเลยะคือว่ากว้างว่าไปอย่างไรเขาเรียกว่าว่ายังกำปั้นทบดินเลยไม่ต้องนั่นแล้วยะถายถา วาปนัสสกาโยปนิหิโตโหติตถาตถานำประชานาติแปลวะ่าก็อีกอย่างหนึ่งกายของเราตั้งอยู่น้อมไปในอาการใดๆให้กาหนดรู้อาการนั้นๆกายนั้นโดยอาการนั้นๆกายกอกกายของเราน้อมไปโดยอาการใดๆรู้ชัดจึงกายนั้นโดยอาการนั้นนี่ก็ใช่ถูกแล้วนี่ก็คือพองยุบใช่ไ้ย ท้องพองมาก็เป็นกายแล้วเนี่ยเมื่อท้องมันนูนขึ้นมันเอ็นไปมันเงื่อมไปวิธีใดเรารู้เนี่ยอาการนั้นก็ถูกแล้วอันนี้ครอบจั ก, กรวานหมดเนีย่ยทุมัดอ่ะนี่เขาเรียกครอบจักรวานยถายาถาว่าปนัสสกายโปนิฮิตูโฮติก็กายของเรามันโอนไปมันน้อมไปมันเงื่อมไปทางไหนรู้ตามอาการกายทั้งหมดจะเอาตรวไหนก็ได้มันเป็นกายหมดแล้วเนี่ยท้องพองยุบ ก, ก็เป็นกายเพอันนั้นคํานี้ใช้หมดเลย กายของเรา น, น้อมไปเงื้อมไปโอนไ ป, ไปไปทางไหนรู้กายอันที่มันไปอย่างนั้นกระพริกกันเตี ม, มันจะก้าวไปนิดหนึ่งก็รู้คอยกลับนิดหนึ่งก็รู้ก็ถูกแล้วนี้แหละคือสอนของยุบสอนไว้อย่างนี้ว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้นะอเออจะเอาละเอียดทาไมอีกยิ่งไปกว่านี้ก็ได้ก็มีอยูใ่ในเรื่องของยุบนี้นะ คือคำวบรองประโยคนี้นะผู้ที่ไม่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้หรือแม้แต่ผู้ที่เคยเข้ามาแล้วบางคนอาจสงสัยว่าเกี่ยวกันยังไงกับการปฏิบัติเพราะเป็นคําตื้นๆพื้นๆตื้นๆพื้นๆไม่น่าจะนําเอามาใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติขั้นสูงสุดในพระพุทธศาส น, สนาเมื่อสงสัยเช่นนี้ก็เลยเห็นเป็นเรื่องแปลกไม่น่าเชื่อ ฟังข่าวถึงกับนําเอาไปกล่าวเล่นในทํานองชวนหัวเราะขำขันก็มีนั่นก็เพราะเขาไม่รู้ความจริงจึงขออธิบายดังนี้ตป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการเจริญวิปัสนาตามพุทธประสงค์ก็คือการกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์ถ้าผิดจากการกําหนดรูปนามเชนแล้วก็หาใช่วิปัสนากรรมฐานไหมนี้เป็นกฎตายตัวที่ใครจะโต้เถียงไม่ได้ ก า, การกำหนดรูปนามอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นเฉพาะการกำหนดรูปถ้ากำหนดรูปใหญ่ไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยที่สุดท่านก็สอนให้กำหนดรูปที่ละเอียดรูปที่ละเอียดก็ได้แก่รูปที่ลมหายใจถูกต้องคือลมหายใจเข้าออกไปถูกที่ใดก็ให้กำหนดที่นั้นในที่นี้สถานที่ที่ลมหายใจถูกต้อง อยู่เสมอนั้นมีอยู่สองแห่งคือที่จมูกและที่บริเวณท้องในสองแห่งนั้นปรากฏว่าสำหรับที่จมูกจะกําหนดได้ชัดเจนก็เพียงแต่ในระยะเริ่มแรกเท่านั้นถ้านานเข้ามาลมละเอียดลงจะปรากฏไม่ชัดเจนส่วนที่บริเวณท้องที่มีอาการพองยุบนั้นกําหนดได้ชัดเจนสม่ําเสมอถึงจะนานเท่าใดก็กําหนดได้และ แดงสภาวะได้แจ้งชัดกว่าที่จมูกมากในเรื่องนี้ผู้ที่ทำการปฏิบัติแล้วย่อมจะทราบได้ดีทุกคนฉะนั้นรูปที่ลมถูกต้องที่บริเวณท้องคืออาการพองขึ้นและยุบลงจึงเหมาะอย่างยิ่งแก่การตั้งสติกำหนดเพื่อจเจริญวิปัสนากรรมฐานซึ่งต้องอาศัยการกำหนดรูปนามเป็นสำคัญที่กล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าเป็นสภาวะยุติอธิบายให้เข้าใจเรื่อง สภาวะคือความเป็นจริงแท้ๆต่อไปก็อาคมยยติยบบาลีอัตกรถาดีกาขึ้นมารับรองเป็นพยานหลักฐานของสภาวะยติมีอยู่ว่าบริเวณของนั้นพองก็ดียบก็ดีที่มีอาการเคลื่อนไหวชัดเจนอยู่นั้นเรียกว่าวายโยผดทะ พ, พรุฉะนั้นพองหนอยุบหนอซึ่งกำหนดอยู่นั้นผู้ปฏิบัติรู้อยู่แต่ประมัติสภาวะ วายุธาติมีอาการเคลื่อนไหวดังนั้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้ในสังยตติกายพระ บ, บาลีว่ารูปังภิกขเวโยนิโสมณีสิการสิครธาโรปานิจตัญจะยถาผู้ตังสมุ ป, ปัสสะเดวยวก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการตั้งสติกำหนดที่รูป ถ้ามีสมาธิแลปนั้นอนิจจังก็ดีทุกครั้งก็ดีอนัตตาก็าดียอมเห็นได้ชัดเจนแน่นอนอนัอนต์พระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้ในสังยุตติกายพระบาลีว่าโพธเพอนิจจโตชนะโตกัสโตวอวิชชาปเยติอิทชาอุปจติผู้ปฏิบัติที่โพธพระที่โพธพารมถูกต้องสัมผัสนั้น ตั้งสติกําหนดรู้เห็นดูว่าไม่เที่ยงบุคคลนั้นอวิชชาก็หายไปยิชชายานก็ปรากฏขึ้นมาดันางนั้นผู้ปฏิบัติกําหนดอาการพองอาการยุบอยู่นั้นรู้อยู่แต่ว่าวายุพุทธพรูปเขากระทำทิทพ์ท้องอะไรเขาเรียกวายุพุทรูปเป็นรูปอย่หนึ่งเกิดเพ้าะกันกระทบของลมถือคลองเลยยุบทิ้ง น, นี้แสดงว่าสัมมาทิฏฐิายิชชาญานเกิดขึ้นยิชอาทิฏฐิอวิชชาก็หายไป สามารถจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันอานหนึ่งพระศาสนาทรงเทศนาไว้ในสติปัฏฐานพระบาลีวิทยถายถาวาปนัสสกาโยปนิโตโหตุถาตถ า, านัมปะชานณติร่างกายของผู้ปฏิบัตินั้นตั้งอยู่ในอาการใดๆก็ตามตั้งสติกำหรู้อาการนั้นๆในทิณอัตตะถาจายนเจ้ยายถายถาว่าปนัสสะเป็นต้นบาลีนี้เป็นสัพพสังคาริกเกวจนะ คือผือเอาทั้งหมดหมายคำว่าร่างกายของผู้ปฏิบัตินี้อาการเดินอยู่ก็ตั้งสติกำนดว่าสายอย่างหนาะข่ยอย่างหนออาการยืนอยู่ก็กำนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่กด็ดีก็ตั้งสติกำนดว่ายืนหนอนั่งหนอนอนเนอะถ้าหากกำลังกำนดเดินอยู่กด็ดีกำลังยืนอยู่กด็ดีกำลังนั่งอยู่ก็ดีกำลังนอนอยู่กด็ดีตามร่างกายนั้นมีอาการอย่างไรเกิดขึ้นก็ตั้งสติกำนด เป็นตัวยืนดูกับคนเราไปยืนเน้ะตัวอืนอืนน้อก้มน้อเงยน้อตัวสั่นน้อคู่น้อเย็ดน้อยืนยืนยืนน้อร้อนเน้อปวดท้องน้อท้องแน่นเน้อถ้าท้องพองขึ้นก็พองน้อยุบลงก็ยุบน้อเป็นต้นอาการเล็กเล็กน้อยก็ต้องกำหนดด้วยเพราะอาการเล็กเล็กน้อยเหล่านั้นถ้าไม่ได้กำหนดก็จะเข้าใจผิดยึดถือเป็นจินนิจจะคือเที่ยงสุขะเป็นสุขอัตตะเป็นตัวเป็นกลาง สุภาพเป็นของสวยของงามถ้า ก, กำหนดก็ได้เห็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกอนันตามไม่ฉีดตัวตนอสุภาพไม่ชอของสวยงามก็เป็นอาการของรูปนามตามความเป็นจริงแท้ท่านสาธุชนผู้ใจบนข่าไหลว่าพระพุทธเจ้าสอนพองยุบไปอย่างไรนะพระพุทธเจ้าสอนพองยุบไปอย่างไรยังไม่จบเอาไว้เท่านี้ก่อนเพราะเวลาหมดจะแล้วก็แยกติด ต่อไปโปรดตั้งใจฟังนะ น, นี่สำคัญมากในที่สุดนี้โดยอานาจคุณประสีรัตน์ไตยอธิัยบรญยาเกษถอยไข่ญาติโยมผู้ใจบุญถ้ายจงอยู่เย็นเป็นศขปราศจากทุกโศกภัยเจริญด้วยอายุวั น, นสุขคพละปฏิพานธรรมสารสมบัติตลอดกันเป็นนิดด้วยกันทุกท่านเทินก่นอื่นก็ขอจเจริญพรใญาติโยมในทราบเงินที่ยี่สิบ บ้านพลนกาศโทวัชลินสุรคุปหรือบ้านคุณกนกได้จัดให้มีการสอนกรรมฐานโปรดอย่าลืมนะอย่าโยมที่เคยไปเตือนไว้เพื่อากลืมเพราะวันก่อนอัตมาไม่ได้ไปให้พระครูประลัดพนมไปแทนดังนั้นก็วันที่ยี่สิบเดือนนี้โปรดพรกันอย่าลืมมีโอกาสเข้าไปปฏิบัติทำตามเดิมนะ ท่านสาตุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญหามีว่าพระพุทธเจ้าสอนพองยุบไปอย่างไรจะได้อธิบายมาแล้วในการก่อนโนดอันนี้ยังไม่จบจะอธิบายต่อธรรมดากฎเกณฑ์ของวิปัสนานี้อารมณ์ไหนกิเลสเกิดขึ้นได้เมื่อตั้งสติกำหนดอารมณ์นั้นกิเลสหายไปฉะนั้นวิปัสนานี้จึงทำลายอนุใสภูมิสร้างปัญญาภูมิให้เจริญขึ้นดังนั้นยืนเดินนั่งนอน อิยาบถทั้งสี่และพร้อมหรืออิริยาบถเล็กน้อยซึ่งเอาทั้งหมดนี้เรียกว่าสัพสังคายิกวจนะคือคํารวมทั้งหมดเลยในที่นี้ควรทราบในอิรยาบถเล็ก น, น้อยนั้นพองยุบนี้ก็คืออัศสาสะปัสสาสะวายุทธะพองยุบที่เราแปลว่าพองยุบมาจากอัศสาสะนี่แปลว่าพองปัสสาสะแปลว่ายุบนี่เป็นธาตุเป็นลมลมดันท้องขึ้นมามันก็นูน โยมออกมันก็แฝกจึงเป็นวายุธาตุชนิดหนึ่งในวายุธาตุทั้งหกอย่างเพราะอั ศ, าศาะสะปัสสานี้เป็นกายยะปฏิพัตขึ้นเกี่ยวเนื่องกับหนังท้องจึงเป็นวายุโทะพรุกายใส่สังขารและพองยุบนี้โดยตรงเข้าอยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานดังนั้นพระ ปินนาวรสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงไว้ในสติปัฏฐานภาบาลีว่ากายกายานุปัสสีวิหรารติดังนี้เป็นต้นอีกในยันหนึ่งผู้ปฏิบัติเมื่อนั่งลงแล้วที่บริเวณท้องนั้นอศาศัสสะคือลมเข้าปัสัสสะคือลมออกเป็นวาโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัยวาโยปทปรูปนี้ก็ปรากฏชัดเจนอยู่เสมอนั่นมันเป็นรูปอย่างนึง่ง มาลูกอันนี้มันเกิดเพราะลมกระทบในขณะนั้นตั้งสติกาหนดว่าพองหนอยุบหนดังนั้นท่านอัคมหาบัณฑิตโสภณเถระจะแดงในวิวสุทธิานกถาว่าอัธวาป น, านิสินนัสโยคิโนอุทเรอศ า, ราศาสัพพะสาสัปพะเยประวัตตังวายโยพุทธปรูปังอุณ น, นมณโอ น, นมณะมนาการนะี น, นะอุณนมณะ โอนมนาการีนะนีรันตรังพอปากตะทังโหติตัมปีอุปนิสายอุณณมติโอนมติอุณนมติโอนม ต, นม ต, นมติที่อานาอาทนาสัญลเ์เขตพังนักปฏิบัติเมื่อนั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้นอศาศาสะคือลมเข้าปัะสาสะคือลมออกวาโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัย วายุขดทะ พ, พรูปคือรูปที่เพราะากระทบกันได้เพราะลมรูปที่ถูกลมกระทบนี้ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วในขณะนั้นตั้งสติกำนดเจเริ่มวิปัสนาภาวนาว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอดังนี้นี่แหละภาวนามาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในกรรมฐานภาวนาพองหนอยุบหนอพอสมควรในการเวลาก็รเรื่องพองยุบเผดูมันจะยุดติแล้วนะ ว่าโดยสภาวะเป็นยังไงโดยปริยัตเป็นยังไงมาจากไหนท่านทางหลายก็คงคอยทราบแล้วกับอัตสาสนั้นแหละอัตสาสนัแหละแปว่าพองอัตสาสมลมเข้ามันพองอัตสาสมลมออกไปว่ายุกมาจากบทนี้ปัจจัยไปดกเรื่มนี้เรื่มที่สิบเรื่มที่สิบสองนี้อ้าวจบลงไปแล้วนะทั้งอัตกระถาดีกาวายฟังหมดแล้วทีนี้ต่อไปจะว่าถึงเรื่องหนอเรื่องหนอ้อนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่มีอยู่ในวิปัสนพาภาวนาอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่เข้าใจและสงสัยไม่แพ้เรื่องคองยุบที่ได้กล่าวมาแล้วที่ว่าหนอหนอนั้ น, น, นมีคำอธิบายที่ควรทราบจังต่อไปนี้การเจริญวิปัฒนากรรมฐานกับการเจริญสมถากรรมฐานนั้นแม่ต่างก็ต้องใช้สมาธิในการปฏิบัติแต่การใช้สมาธิก็ต่างกันอยู่มกคือการเจริญสมถาก ร, รมฐานนั้น ใช้อุปจารสมาธิเรื่อยไปจนถึงอัปปนาสมาธิที่เมื่อเจริญปฐวีกสินคือเอาดินเป็นอารมณ์ก็พาวนาว่าปฐวีปฐวีหรือดินดินอยู่อย่างเดียวเมื่อพานานา น, า น, านเข้าก็เกิดอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ยังไม่มั่นคงแข็งแรงเมื่อเจริญต่อไปสมาธิจะมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นจนเป็นอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่แน่วแน่นแน่นมั่นคง ยิ่งมั่นคงเท่าใดสมถะกรรมฐ า, านก็ได้ผลดียิ่งขึ้นเท่านั้นถ้าสมาธิมีกำลังน้อยไม่แนบแน่นก็ได้ผลน้อยแสดงว่าการเจริญสมถะกรรมฐ า, านใช้สมาธิพละคือกำลังสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องใช้กำลังอย่างอื่นสมาธิยิ่งมากยิ่งดีเพราะต้องการความสงบใจเป็นสำคัญส่วนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นต้องใช้พละควบกันทั้งห้าอย่าง คือศรัทธาภละกําลังคือศรัทธาปัญญาภละกําลังคือปัญญาสมาธิภละกําลังคือสมาธิวิริยะภละกําลังคือความเพียรและสติภละกําลังคือสติในบรรดาภละทั้งห้านี้ภละข้างต้นทั้งสี่คือศรัทธาปัญญาสมาธิวิริยะต้องให้เสมอกันส่วนสติภละกําลังคือสติอย่างเดียวเท่านั้นยิ่งมากยิ่งดีที่ต้องให้ภละทั้งสีเสมอกันนี้ก็เพื่อให้เกิดปัญญา ที่เรียกกันว่าญาณเพราะการเจริญวิปัสสนานั้นมุ่งหมายให้เกิดปัญญาคือญาณ น, นี้โดยตรงหากพระละหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์ไม่เสมอกันเช่นสมาธิมากวิริยะน้อยความเพียร น, น้อยหรือศรัทธา น, น้อยปัญญามากเป็นต้นแล้วยาณจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยฉะนั้นในการเจริญวิปัสสนานี้ถ้าอินทรีย์หรือพระละเป็นไปอย่างเสมอกันแล้วยาณหรือ หรือปัญญาก็จะเกิดและกล้าวหน้าสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นลําดับทีนี้จะกล่าวถึงเรื่องหนอต่อไปคือเมื่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องการให้อินทรีย์เสมอกันเป็นสิ่งสําคัญเช่นนี้แล้วถ้าหากจะพยายามปลุกแต่สมาธิกันเรื่อยไปไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งเป็นอุปจารสมาธิและอปปนาสมาธิแบบทำสมถกรรมฐานแล้ว ก็จะได้สมาธิมากมายแต่อย่างเดียวส่วนศรัทธาวิริยะสติปัญญาทั้งสี่อย่างนี้ก็เกิดน้อยหรือไม่เกิดเลยเป็นอันว่าอินทรีย์ทั้งหลายไม่เสมอกันเมื่ออินทรีย์เหลื่อมลำ้ำตำสูงไม่เสมอกันเช่นนี้แล้วการบําเพ็ญวิปัสสนาก็ไม่ได้ผลวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพื่อความเสมอกันแห่งอินทรีย์นี้เองการทําวิการบําเพ็ญวิปัสสนา จึงไม่ใช้อุปจารและอั ป, ปนาสมาธิแบบบำเพ็ญสมถะเพราะสมาธิจะมากเกินขนาดไปแต่ใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธินี้สำคัญคือสมาธิเฉพาะขนาดหนึ่งหนึ่งเมื่อใช้สมาธิแต่พอประมาณคือคณิกะสมาธินี้แล้ว ก็มีโอกาสที่จะให้อินทรีย์ทั้งสี่ที่เหลือเกิดขึ้นได้พอเหมอกสรุปการบำเพ็ญวิปัสสนานี้แทนที่จะใช้สมาธิมากมายก็กลับลดสมาธิลงมาให้พอควรกับอินทรีย์อื่นๆที่เหลือเพื่อให้เกิดความเสมอกันสมกับบาลีในในมหาดีกาภาคหนึ่งหน้าสิบห้าท่านกล่าวว่าหิคณนิกะสมาทิวินาวิปัสนาสัมภวติ แต่ววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราเว้นจากคณิกะสมาธิเสียไม่สําเร็จเนี่ยนี่เขาใช้สมาธิน้อยกว่าสมถนะนะเมืม่อวิปัสสนากรรมฐานจําเป็นต้องใช้คณิกะสมาธิชนนี้แต่เวลาปฏิบัติเข้าจริงการกลับปรากฏว่าในขณะที่ผู้ปฏิบัติกําหนดรู้ตามอาการโดยคำภาวนานั้นคณิกะสมาธิมีกําลังอ่อนปรากฏไม่ชัดเกณฑ์ เข่มตั้งสติกำหนดภาวนาในใจพองนั้นอาการพองขึ้นจะปรากฏตั้งอยู่นานกว่าคำภาวนาคือเพียงแต่อาการพองปรากฏได้ครั้งหนึ่งคำภาวนาวะพองก็หมดเสียแล้วแต่อาการพองยังมีอยู่ต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิที่จะเกิดจากคำภาวนาพองก็สะดุดหยุดลงไปไม่ติดต่อไปตามสภาวะของอาการพอง ซึ่งยังปรากฏต่อไปอย่างชัดเจนใจพ่องผู้ปฏิบัติก็จะกระวนกระวายเพราะสมาธิมีกำลังน้อยเพิ่นไปแต่ถ้าเติมคำภาวนาลงไปอีกคำหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มกำลังให้สมาธิตั้งอยู่นานพอดีกับอาการที่ปรากฏตามสภาวะที่เป็นจริงฉะนั้นท่านจึงบัญญัติให้เพิ่มคำว่าหนอซึ่งตรงขับบาลีวะวะตะเขาด้วยเมื่อเติม เข้าชินนี้สมาธิย่อมจะดำเนินไปได้โดยสะดวกดีถ้าจะเปรียกก็เหมือนกับแสงสว่างของไฟนิอรอนขณะกำลังไฟตกย่อมปรากฏแสงสว่างวัดหนึ่งและก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้เสมอเพราะกำลังไฟไม่พอหากได้มอเพิ่มไฟมาช่วยเขาเรียกสดิเ้ไฟแสงสว่างก็จะแจ่มจ้าไม่มืดสลัวหรือดับอีกต่อไป เป็นกรรมยตาควรแจตการงานชั้นใดคำว่านอก็เปรียบได้กับหม้อเพิ่มไฟคือท่านเพิ่มข้นมาเพื่อให้สมาธิมีกําลังพอสมควรเมื่อสมาธิได้กําลังพอดีก็เป็นสมาธิที่เรียกเลยว่ากรรมยตาควรเจตกันเจริญวิปัสสนาเรื่องนี้แม้จะอธิบายอย่างยืดยาวก็รู้สึกว่าจะเข้าใจยากแต่ท่านที่เคยปฏิบัติวิปัสสนาได้ผ่านพบของจริงในข้อนี้มาแล้ว คงจะทราบได้ดีนอกจากคําว่านอกจากนี้คําว่าหนอก็ไม่เป็นคําที่น่ารังเกียจอะไรอย่างที่บางท่านรู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่เพราะในพระบาลีพุทธดีกาก็มีคํานี้ปรากฏอยู่ดั้งเดิมเกณานิจาวตัตสังขาราสังขานทั้งหลายไม่เที่ยงหนออัญญาสิวัตโพคนัญโยคนัญยะได้รู้เลยหนออโหุวัตโอหนอดังนี้เป็นต้น เทวติกรามาและทั้งหมดนี้ก็พอที่จะสรุปได้ว่าคำวะวัตถะแปลว่านนอนี้มีประโยชน์มากต่อการบำเพ็ญวิปัสสนาซึ่งต้องใช้ปัญญาความเพียรอย่างละเอียดลึกซึ้งซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์นในการที่ท่านบัญญัติคำนี้ไว้สำหรับเป็นประโยชน์เข้ากับคำภาวนาตามสภาวะของรูปนามที่ปรากฏนับว่าเป็นวิธีการที่เยีบโยนควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุด ซึ่งผู้มีปัญญาจักสุเท่านั้นจะคิด เ, เห็นตามได้ว่าตะแปลว่าหนอก็ได้แปลว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตย์ให้ข้ามซึ่งวตัตเตอรสงสารก็ได้ดังวิเคราะห์ว่าวัตตะสังสารังตาเรติติวตัตโตธรรมะใดย่อมยังสรรพัตย์ให้ข้ามซึ่งวตัตเตอรสงสารฉะนั้นธรรมะนั้นชื่อว่าหนอได้พัฒนาในเรื่องคำว่านอนี้ก็ด้วยเห็นว่าจะสมควรแล้วอาราธันสาตุชนผู้ใจบุญทหลายเรื่องไขหนอ ไอ้ <c oughs> ه, การไขหนอว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนหนอไว้อย่างไรท่านทนายก็คงพอจะเข้าใจด้บางแล้วว่าพุทธเจ้าทรงสอนหนอไว้อยู่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหลายเล่มดังนั้นก็ยกมาพอเชื่อเห็นเป็นตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนะึงถ้าไม่ใส่หนอนี่เป็นยังไงโดยมากไม่ใส่หนอสมาธิอ่อน ถ้าใส่น้อแล้วก็สมาธิดีขึ้นมันคือเติมให้ได้คำสองพยางยพองยุบพองยุบเนี่ยมันสั้นเมื่อสั้นแล้วก็ไม่เห็นรูปนามเกิดดับไม่ทันปัญญาของเรามันยากถ้าใส่น้อแล้วมันสมาธิมันเพิ่มเข้ามาอีกปัญญาของเราก็ทันปัญญาของกราละเอียดขึ้นสามารถจะเห็นรูปพองรูปยุบดับชิ้นพองน้องนี่พองยุบพองยุบนี่ยไวเขา้า เมื่อไวเข้าสติไม่ทันมองยุบพองยุบพองยุกมันก็เลยไม่ขาดเมื่อไม่ขาดพระไตรลักก็ไม่ปรากฏเพราะใส่นอ้อยน่ะเทคนิคสําคัญอยู่ตรงนี้นะที่อันที่จริงพองยุบเนี่ยมันมีมานานนานแล้วตั้งแต่พระพเราเกิด ข, ขึ้นมานั่นแหละพองยุบก็มีแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วแต่ไม่มีคนพบธรรมะเพราะว่าขาดศิลปะหรือเทคนิคในการในการสอนนั่นในการศึกษาเพราะเมื่อเติมคําเข้าไปตาม มหาดีกาท่านวัดทิ้งคณิกะสมาธิไม่ได้เมื่อเติมเข้าไปคณิกะสมาธิก็เป็นสองชั้นแทนที่จะได้ข้อมือเดียวก็ได้สองข้อมือก็จพีงพอเนี่ยพองน้องยุบน้องพองน้องยุบน้องถ้าเราใส่พองยุบพองยุบพองยุบเนี่ยมันจะติดกันลองดูกันแล้วกันผู้ที่ลองดูจริงจะรู้มาตำมาให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาดีมาใหม่ๆมีคนมาจากปักใต้สองคนไม่ฉีคนหนึ่งก็ให้เอาพองยุบพองยุบอย่างเดียว คนนึ่เอาพองน้อยอยู่หนาะใส่ไอ้คนที่เอาพองยุบในใหม่ๆก็ดีพองยุบพองยุบพองเออใหม่ๆรู้สึกดีนะแต่พอนานขั้นมันไม่มีพองไม่มียุบมันติดกันงดเลยพองยุบพองยุบมัว่าไปเรื่อยแต่มันติดกันก็เลยไม่ชัดเมื่อไม่ชัดก็เลยไม่ได้ผลเลยเลยเลิกคนนั้นกลับไปแล้วอีกคนหนึ่งไม่ชี้คนหนึ่งให้เอาน้อยใส่พองนอยุบนอพองน้อยหนอเอาซ้ายอานะใหม่ๆมันไม่ชัดมันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ไรพอสองสามวันเขามันจะได้ระดับพอดีพอดี พองเนาะยุบเนาะพองน้อยหนอะพอดีพอดีกันมันก็ไม่กระตือรร้นไม่โคนก็วไวไดปัจจุบันดีมันก็ได้ผลดีนี่เนี่ยประโยชน์มันเป็นอย่างนี้จะเอาอะไรกันแน่จะเอาประโยชน์หรือจะเอาอะไรเมื่อเราจะเอาประโยชน์เราก็ต้องพยายามเอาใสเข้ามาจะไปลังเกียดเลยเนาะนี่เป็นคําสอนของพระเจ้าแทา้พระพุทธเจ้าใช้มากอนเลยแต่เราดูประวัติศาสตร์เรื่องพระ เทระไปเจริญกรรมฐานท่านจะต้องใช้อนิจจาปตสังขารสังขันทั้งหลายไม่เทียงโนทุกวันนี้พระสงค์องค์เจ้าไปชักบางสุกุลตามวัดต่างๆที่มีวัดมีโรงอุตสาหกรรมหนักคือมีโรงงานเผาศพเห็นวัดมากุดวัดโสมานัดวัดตีตัสเทพวัดหัวลำโพงอะไรนี่ก็จะต้องพระจะต้องจับพาอนิจจวปตสังขารเออเมื่อเช้าเนี่ยธรมาก็ไปเอามาพื้นหนึ่งเหมือนกันไง อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยัตธ ร, รมิโนอุปจิตตวานิรุตชันติเตสังบูปสมุสุขโขสังขาราอนวุสังขัคือรูปกับนามทนายอนิจจาวะจัะไม่เทียงหนาะอุปาทวายตธ ร, รมีโนมีความเกิดขึ้นหรือมีความดับไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุตชันติเกิดก็แล้วก็ดับไปอย่างนี้เตสังบูปสมุสุขโขหากว่ารูปกับนามดับกิเลสก็ดับไปแล้วเป็นสุขแท้ๆนี่ความหมายมันเป็น ธรรมะที่มีประโยชน์มากทีกนี้ถ้าตามตัวหนังสือจริงๆแล้วอาลองวิจารณ์กันตามตัวหนังสือว่าตัวนี้มาจากเป็นคําของพระพุทธเจ้ามาจากวัตสังสารังตะมาจากตะราธาตั้งวิเคราะห์ว่า ว, วัตสังสารังตาเรติติวัโตมูลกัจเจยณนะแปละว่าโยธรรมมวลวัฒธรรมะใดสัพพสติยังสัตวไร่ทั้งพวงตาเรติยมให้ข้าม วัตตสังสารังสุงวัตตะสงสารอิติเพราะเหตุนั้นโสธรรมวนวัฒธรรมนั้นวะตูชิวะวัตตธรรมวนวัฒธรรมวัตตะยางสันพัสดุให้ข้ามสุงวัตตสงสารเน่ตามศับวัตตะประวัตธรรมะที่ยังสันพัสดุให้ข้ามสุงวัตตสงสารโดยองค์ธรรมก็ได้แก่มรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเรียกวัฒธรรมในที่นี้หมายเอาศีลสมาธิปัญญาเพราะเป็นบุพ ภ, ภาคามรรคอริยมรรค ที่ยังสัญภาษัตใหถึงมรรคผลนิพพานในแกมรรคทั้งแปดนั่นเองเรียกว่าธรรมะในที่นี้ธรรมะใดยังสัตย์ให้ข้ามทรงวัตถสงสารธรรมนั้นชุ ว, วะตะไม่ได้แปล ว, ว่าน้อยอย่างเดียวนะความหมายลึกซึ้งวะตัวนี้มาจากวัตถสงสารอ่ยตะมาจากตะทธาแปลว่าวข้ามที่นี้ลบทิ้งหมดเขเรียกว่าอักษรสัจอักษรสัจนี่เวลา เข้ากันน่ะเหลือ น, น้อยแต่ความหมายอย่างเท่าเดิมว่าตะสองตัวแต่ต้องแปลเหมือนกับเดิมมาเลยนี่เขาเรียกอักษรศาสตร์ของพระพุทธเจ้ามีมานานแล้วโลกเขาก็ใช้ทุกวันนี่ย่อทั้งนั้นอักษรย่อกระทรวงท บ, บวงคมต่างๆยอ่อทั้งนั้นชื่อคนก็นกนย่อย่อสุยแทบจำไม่ได้เลยนีมหาภูรลงค์กรราชวิถีไรมจอจรมหาตวิชัยกัมอทอนีดูสิยอ่อทั้งนั้นนะอะ สิบตำรวจเอกสอตอแอนะ่ย่อกันทางนั้นชื่อประเทศบ้านเมืองก็ยอ่อดูสิประเทศอเมริกาน่ U.S.A. เนี่ยอยู่ในติดติดอเมริกายอดทางนั้นเหลือ U.S.A. สามคำเท่านั้นนี่ทั้งเรียกว่ายอ่อตามความนิยมพระพุทธเจ้าย่อมานานแล้วนั้นนั้นวัตตะจึงได้แปรวยบธรรมะที่ยังสันปิษฐานให้ข้ามสงบัตโตสงสาร วัฏฐสามกิเลสวัตวนเพราะกิเลสในแก่อวิชชาตันหาอุปาทานกรรมวัฏวนเพราะกรรมคือการลงมือทําชั่วทําดีในแก่พบหรือสังขารวิปากวัฏผลของวิบาวิบากกวัฏวนเพราะผลของกรรมที่ตนได้ทาไว้ในแก่วิญ ญ, ญาณ น, นามรูปอายตนะหกขัดสาวทนามันก็มีอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าวัฏฐสามนันเนี่ย วนพระวัตรสามที่ในวัตรสงสารสงสารแปลว่าท่องเที่ยวเหตุที patreon, ่มาสงสารท่องเที่ยวไปในเบื้องต่ามันจะมาสงสารท่องเที่ยวไปในทรามกลางอุปนิมาสงสารท่องเที่ยวไปในเบื้องบนเหตุที่มาสงสารสงสารเบื้องต่ําก็ได้แก่อายภพรมสี่โลภโธสโุหะเป็นผู้พาไปมันจะมาสงสารสงสารทางกลางได้แก่มนุษย์ศินห้าพมะการกุศลก็รมวัฏเจต แล้วก็สวรรค์นั่นมหาโกศนแปดพาไปเกิดอุปนิสสงสารสงสารบุญเบื้องบนได้เก็บพรมโลกยี่สิบชั้นนั่นเพราะผมผลของสมถะพาไปเกิดมีอย่างนี้แล้วก็ได้ธรรมะเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้จะเราดูให้ละเอียดจนตรธาธาตแปลว่าข้ามข้ามอะไรข้ามวัตรสงสารอะไรพาข้ามก็ศีล ส, สมาธิปัญญานะ่ะเลยข้ามไปไหนข้ามไปสู่พระนิพพาน ข้ามไปด้วยการเจริญวิปัสสนาสารตามอัธังคีคำมัคทั้งแปดมัคทั้งแปดปุพพะพกคำมัคคือศินสมาธิปัญญายึดรูปนามเป็นอารมณ์พอถึงอริยมัค ก, ก็ยึดนิพผ่านเป็นอารมณ์ก็ข้ามไปสู่พระอริยพานนั่นเองหนอ น, นีจึงมีคุณค่าสูงพองหน่อนยุบหนอ น, นี่มีราคาแพงไม่ใช่ถูกนะว่าจะศึกษาหละเรียนก็จะเรียนมาได้นี่ไม่ใช่ง่ายอัตอมาไปดูผลของพองหน่อนยุบหน่อนยย่อเมย ของนอ้นอยยุบหนอเนี่ยตามานี่เป็นคนปฏิบัติมาครั้งครั้งแรกในเมืองไทยนี่แหละที่ว่าที่มาเริ่มนะตามาปฏิบัติอยูกิจเตือนสิกะวันใช้หนอทั้งนั้นเสร็จแล้วก็ไปดูการศึกษาในแดนทวีประเทศพาม่าอีกก็ใช้หนอแต่พาม่าเขาว่ า, าเผาแดเปินแดดเสร็จแล้วตามาเขามาเริ่มสอนสอนวันแรกที่บอสตรมหาธาตุพศสองพันสี่รอยเก้าสิบหกมีโยมมาเก้าคนเท่านั้น วันพระที่สองมีคนสิบเอ็ดคนมี่อนุภาพหนอนะวันพระที่สา ม, มีคนสิบเก้าคนนี่อนุภาพหนอวันพระที่สี่มีคนสามสิบห้าคนวันพระที่ห า, ายมจะทยอยทยอยโบดมันร่าเต็มมดจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่วันพระเลยโยมเนี่ยแน่นโบดเลยเข้าพรรษาดูซิมีสาขาบูชาเนี่ยไหมคนนี่ล้นหลามเป็นเ ม, มินเมินนี่เพราะอนุภาพของหนอทั้งนั้นโดยมากอ่เานไปดูมเมืองชนซิฤๅษีอาสมอะ โดยว่าทางไปบ้านเบิงนั่นแหละโดกุติห้องกรรมฐานขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยป่าก็ขยายขยายออกไปต่างประเทศต่างชาติพศ .2452 มีชาวต่างประเทศมาปฏิบัติห้าสิบห้าคนจากเกือบสี่สิบประเทศพศ2 4 2 3มีผู้มาปฏิบัติห้าสิบหกชาวต่างประเทศนะคนไทยไมานับสองพันห้าร้อยี่สิบสี่นี่ อาตมาไปเมื่อวันที่18มีษานี่กลับวันที่5มีพวกดัตพวกเม็กซิโกพวกอเมริกาพวกอังกฤษพว ก, พวกอินเดียมากันมาปฏิบัติอันนี้อนุภาพหนอพออาตมาเิ่มสอนเข้ากับแพรสพัดไปจนกระทั่งมีทุกคนทุงแห่งไปทั้งเชียงใหม่วัดลำเปิงวัดเมืองมั ง, มงวัดน้ำบัวหลวงวัดปราวาทตักผ้าฮนวัดดอยสุเทพไปทั้ ง, งอโภกฝังก็ยังมีเยอะ อาไปถึงจังหวัด น, น่านก็ยังมีลองไปดูสิมันมีอำนาจภาพของหนอนมีเยอะมีไปมากแล้วไปถึงต่างประเทศทั้งประเทศอังกฤษนั่นแหละพุทธหารแฮมสเตดกอใช้หนอนไปถึงวัดพุทธบทีพก็หนออืมถึงเยอามันก็ใช้หนอนไปถึงเนเธอร์แลนด์ก็หนอสวิตเซอร์แลนด์ก็หนอนฝรั่งเศสก็ใช้หนออเมริกาก็ใช้หนอ <S <S <S อีกแล้ว นี่อนุภาพของหนอไปทุกคนทุกแห่งทุกบ้านทูกเมืองอเมื่อไม่นานมานี้ว่าเดือนนี้แหละพวกแขกที่เป็นเจ้าหน้าที่รถไฟอยู่ในบางปูนานนท์มาบวชก็ใช้หนอปฏิบัติคณหานอีกนี่แหละเป็นอนุภาพของหนอสามารถที่จะดึงคนเข้ามาสู่พระศาสนาสามารถที่จะให้ข้าววรพโรเจริญขึ้นเป็นดอกเห็ดในประเทศไทยนี้ได้นี่วัดําเปิง อุติกรรมฐานก็ขึ้นเหมือนแถววัดเมืองบางเชียงใหม่กัเหมือนกันเพราะอานุภาพหนอทั้งนั้นดัง น, นั้นอนุภาพพระธรรมของพระพุทธเจ้าคือการเจริญวิปัสนาโดยใช้หนอนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อพุทธบริษัทเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกไม่ใช่น้อยเพราะพระพุทธเจ้าทั้นใช้เป็นองค์แรกอัญญาสิวตโพคนดัญโยโคดัญยะได้รู้แหละหนอคนดัญยะได้รู้แหละหนอนี้แหละของสมเด็จพ่อ เป็นบรดกของพ่อเป็นบารดกอันดังเดิมสืบทอดกันมาตั้งแต่ป่าอิสิปัตนาเมรุขไทยวันแขวงเมืองพารณาสีจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราู็เป็นลูกรับมรดกของพ่อเราก็ไม่น่าที่จะสงสัยรังเกียจอะไรเลยพ่อเราเดินทางมาอย่างนี้เราผู้เป็นลูกก็รับบรดกเดินตามสเสด็จพ่อก็ใช่ได้แล้วท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย วันที่ยี่สิบบ้านพลนากาศโทวชรินสรุบหรือพุณนกนกสรุบจัดให้มีการสอนวิปัสนาโปรดอย่าลืมนะผูกสิทลูกค้าที่เคยไปก็พากันไปปฏิบัติตามนี้นอกจากนี้รายการเทปปัญหาต่างๆที่อัดไว้มีถึงหกสิบสามหกสิบสี่ม้วนกันนผู้ใดสนใ จ, จเจาบางคนเอาหมดเลยตั้งหกสิบกว่าม้วนเจ้าคุณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเอาหมดเลยนอกนั้นก็มีคุณโยมหลายคนเอาคนละยี่สิบสามสิบม้วนก็มีไม่อันนะโยมนะกูใดสนใจเอาไปฟังฟังธรรมะได้บุญไม่ได้บาปหรอกเดียเรื่องอะไรก็ฟังไปเถอะอย่างน้อยผูุ้ทธิจะมาบรรยายให้โยมฟังก็ต้องศึกษาลเรียนมาไม่ใช่น้อยแล้วยังอาตมาเนี่เรียนมาตั้งแต่อายุสิหปีเดี๋ยวนี้หกสี่แล้วก็ยังเรียนยังศึกษาก็จะเอามาบรรยายมาเทศน์ให้โยมฟังนี่อาตมาขอนขวายมามากอยู่โยมเอ้ย โยมก็จะศึกษาเรียนให้ทวัตตมาเนี่ยอาจจะตายก่อนไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเอาที่อัตมาบรรยายไว้ไปเปิดฟังท่านก็จะได้สบายใจอือย่างน้อยก็เป็นธรรมะความคิดความใจเพราเราเวลา ย, ยมทุกเวลา ย, ยมไม่สบายนอนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนลูกหลานไปโร ง, งเรียนอ้าวเปิดฟังก็ได้เวลาเจ็บแข้งปวดขาอ้าวเปิดฟังธรรมะก็จะได้ผ่อนคลายทุกข์ของโยมไปไม่ใช่น้อยนะเพราะมันมีหลายเรื่องอยากจะฟังเรื่องนั้นจบเอาเรื่องนั้นอีก้ถ้าฟังหมดทั้ง หกสิบกัวเรื่องนลยโยมจะได้ความรู้มีเช่น้อยได้บุญเยอะเพราะอย่างนั้นสนใจก็ติดต่อได้นะที่ตันพักอูประหลัดพนมเขาเตรียมมาพร้อมเดี๋ยวนี้เขาสะดวกไม่เหมือนก่อนแล้วเขามีที่อัดมีเจ้าหน้าที่ยีโนนทั้งร้านใหญ่ๆนั่นเขาอัดอัดให้ช่างเขามาอัดข้างเขาอัดให้เขาอัดทีหนึ่งได้เพิ่มเยอะแยะมันก็ไหวแต่อัดด้วยเครื่องธรรมดาไม่ไหวแล้วพราะเครื่องเขาอัดเพลงอะไรเขาอัดให้จ้างให้เขาอัดให้มันก็ได้ไหวทีเนี้ยแต่อัดมาเป็นทีละ 5 6ะสิบหกสิบเลยใครไปมาอะไรก็ได้เท่านั้นเว้นแต่จะหมดมันก็ต้องอัดใหม่นะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการไขปัญหาวันนี้ไขเดี่ยวในเรื่องพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนหนอทรงสอนพองยุบไปอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่จะพองยบเดียวหนอด้วยมาว่าญาติโยมฝังสองกันเต็มบัดนี้ก็สมควรแก่การเวลาแล้วก็จะขอยุติไวเพียงเท่านี้ ในที่สุดนี้ด้วยอํานาจคุณปศีรัตนัไตไกรอธิสัยบุญยุดเขตและบุญกุศลที่ยาดโยมได้พากันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจ น, นเอาสารขอจงมาเป็นประวะัติใจปกป้องรักษาให้ยาดโยมทน า, ายอยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกขใก์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญหนวยอายุวันนะสุขภพนะพระทิพานธรรมสารจอมบัดตลอดการเป็นนิษมีดวงขิตสติมั่นอยู่ในทานสินภาวนา นำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไปบ น, ปนกล่าวคือมกพ้นหรือผานด้วยการทุกข์ท่านเทิน